บทที่ห้าแม่ชีก้อนทองแม่ชีเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนมนุษย์เดินดินอย่างเราๆไหมคำถามของสมพัน์ทั้งถูกใจ ญ, ญาติโยมเสียนัก ไม่เหมือนจ้าเขางามกว่ามนุษย์อีกใส่ชดามีส้อยสังวานเครื่องทรงของเขาล้วนประดับด้วยเพชรนินจินดาช่างงามเหลือล้นก็เหมือนลิเกนะสิพระเจริญนึกไปถึงพระเอกลิเกจ้าจะว่าเหมือนลิเกก็ได้แต่เทวดางามกว่าลิเกมากจ้าผิวพันธ์ผ่องใสงามไม่มีที่ติแม่ชีตอบพระจำได้ติดตา แล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทําไมถึงต้องให้แม่ชีย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงบอกจ้ะเทวดาบอกว่าสมภารวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสสนากรรมฐานฉันจะได้มาเรียนกรรมฐานกับสมภารแล้วก็จะได้เรียนสวดมนต์จากเทวดาเทวดาบอกจะสอนฉันสวดมนต์แม่ชีวัยแปสิบเศษกราบเรียนตามที่เทวดาบอกในฝัน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 ต้องขอบพระคุณท่านสมภารที่เมตตาชั้นพูดพลางก้มลงกราบสามครั้งงั้นฉันขออนุญาตไปที่ศาลาเลยจะไปกวาดถูวไว้ให้เรียบร้อยพวกนี้จะได้มาแต่เช้าทำไหวหรืออายุเท่าไรแล้วล่ะแปดสิบเก้าจ้ะโอ้โ ห, โหร่วมเก้าสิบแล้วสินะแต่ยังดูแข็งแรงดีอัตมายังนึกว่าเจ็ดสิบกว่ากว่าที่แท้จะเก้าสิบแล้ว นั่นสิอีฉันก็คิดว่าแม่ชีคงอายุไม่เกินเจสนางโถพูดขึ้นแก่กว่าอาตมาตั้ง60สปีโยมผู้หญิงใครอยากได้บุญก็ไปช่วยแม่ชีเขาทำความสะอาดห้องบนศาลาโยมผู้ชายจะไปปฏิบัติต่อก็ได้ส่วนอาตมาจะขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนจีวรใหม่จีวรท่านสมภารถูกไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อไรฉันเห็นแต่แรกแล้วว่าจะทักก็ไม่กล้าแม่ชีถามขึ้น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 ถ้าไม่เห็นกับตาอีชั้นเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดนางแช่มช่วยเป็นพยานให้แม่ชีวัย89ยกมือประนมเหนือศีรษะพูดว่าสาธุเป็นบุญของอีชั้นเหลือเกินเทวดาส่งมาถูกวัดแล้วฉั้นสแสวงหาครูบาอาจารย์มานานเพิ่งมาพบเมื่ออายุจวนจะ90แต่ถึงท่านจะอ่อนกว่าตั้ง60สปีฉันก็ยอมรับนับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ ขอให้ท่านจเจริญเจริญเถอะบารมีท่านสูงจริงจริงอัตมาก็จเจริญอยู่แล้วละโยมเพราะโยมพ่อตั้งชื่อให้ว่าจเจริญสมพานหนุ่มยาวด้วยนึกถูกชะตาแม่ชีจะค้างที่วัดนี้เลยหรือครับอุบาสกถามขึ้นไม่ค้างจ่ะหกโมงเย็นหลานเขาจะเอาเรือมารับพรุ่งนี้ฉันจะขนของมาแต่เช้าแม่ชีตอบแล้วลุกออกไปดูสลา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 แม่ชีก้อนทองกำลังเดินจงกรมอยู่อย่างขมักขมน่นเห็นสมภารเดินมาหาก็กำหนดนั่งแล้วกราบท่านสามครั้งเป็นยังไงบ้างแม่ชีปฏิบัติไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยจ้าหลวงพอ่อหลังจากทําพิธีขอกมาฐานเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้วแม่ชีก็เรียกพระเจริญว่าหลวงพ่อได้สมิดใจแม้อายุท่านจะน้อยกว่าแต่ความสามารถนั้นมากจนสุดจะพันน า, นา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 ฉันไม่ได้จดหรอกจ้าฉันไม่รู้หนังสือแม่ชีกราบเรียนอออัตมาก็ลืมไปคนรุ่นเก่าๆมักไม่ได้เรียนหนังสือไหนเขาบอกอะไรบ้างเพื่ออัตมาจะได้ไปช่วยจดไว้ให้ว่าจะเป็นจริงไหมเขาบอกหลายอย่างจ้าเช่นบอกว่าศาลาที่ฉันอยู่นี่ต่อไปจะถูกรือ้อและสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ล้านบาท ส่วนตรงหลังโบสถ์ก็จะมีสาราราคาสองล้านสร้างก่อนหลังนี้จะมีเศรษฐีมาช่วยสร้างเศรษฐีที่ไหนฉันก็ไม่ทราบเขาบอกหลังนี้จะสร้างทีหลังทหารจะมาช่วยสร้างแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่ต้นพิกุลทำไมถึงไม่อยู่บนสวรรค์เทวดาต้องอยู่บนสวรรค์ถึงจะถูกบอกจ้าเขาบอกว่าเดิมเขาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึง แต่ไปทำผิดประเวณีกับนางฟ้าพระอินทร์จึงลงโทษให้มาอยู่เมืองมนุษย์ร้อยปีนี่เขามาอยู่ได้91ปีแล้วครบร้อยปีวันที่27มีนาคมเวลา 9.45 มง้านาทีเขาก็จะไปแม่ชีเล่าตามที่เทวดาบอกทำไมเขามาคุยกับแม่ชีเท่านั้นไม่เห็นมาคุยกับอาตมาบ้างเลยแม่ชีช่วยถามหน่อยสิอาตมาเปรียบเหมือนเจ้าของบ้าน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 พรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่ตลาดปักบางวันรุ่งขึ้นฉันไปที่กุฏิหลวงพ่อเนนเฉลียวก็บอกว่าหลวงพ่อไปบ้านโยมพ่อโยมแม่แล้วคืนนี้เขาจะมาอีกไหมมาจ้ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้เดือนเศษเขามาทุกวันฉันถึงบอกหลวงพ่อว่าฉันเห็นจะลาบากเสียแล้วถูกเทวดารบกวนจนรำคาญเอาเถอะอย่าเพิ่งราคาญ เขาอาจจะมาทดสอบอะไรบางอย่างก็ได้อัตมา จ, จะฝากโยมถามเทวดาหน่อยได้ไหมได้จ้ะหลวงพ่อจะฝากถามอะไรเทวดาฝากถามว่าน้าที่ขังอยู่ในโบดน่ะมาจากไหนน้าอะไรขังอยู่ในโบทหรือจ้ะเอาเถอะอัตมาฝากถามอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ท่านบอกอีกว่าช่วยถามอีกข้อนะถามว่านารีผลมีจริงไหม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 อยากรู้ว่าเทวดาจะตอบปัญหาที่ท่านฝากแม่ชีถามอย่างไรท่านออกจากกุฏิเวลา24นาฬิกาตรงใช้เวลาเดินไม่ถึงนาทีก็ไปหยุดยืนอยู่ใต้ถุนห้องแม่ชีนึกเสียวๆอยู่เหมือนกันกลัวแม่ชีจะปัสสาวะลงมารศีรษะท่านเพราะบนสาราไม่มีห้องซ่วมเสียงดังกุกกักอยู่ข้างบนแล้วแสงเทียนก็สว่างลอดร่องกระดานลงมาแม่ชีลุกขึ้นมาจุดเทียนนั่นเอง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 พระหนุ่มนั่งฟังอยู่ได้ถุนศาาเป็นชั่วโมงกระทั่งเทวดาและแม่ชีสวดมนต์เสร็จบัดนี้ท่านเชื่อแล้วว่าแม่ชีก้อนทองมิได้พูดปดเสียงสวดมนต์หายไปแล้วได้ยินแม่ชีพูดว่าเทวดาวันนี้หลวงพ่อท่านฝากถามปัญหายัางไม่ทันที่แม่ชีจะบอกว่าปัญหาอะไรเสียงเทวดาก็ตอบว่าไปกราบเรียนท่านว่า น้ำที่ขังอยู่ในโบสถนั้นเป็นน้ำทิพย์มีบอ่ออยู่ที่วัดไถงง้างเมืองซัวเถาประเทศจีนท่านจะได้ไปเห็นบอ่อน้ําทิพย์ในปีพศ2525ให้ท่านลองดื่มน้ําทิพย์ในโบสถดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็จดจําไว้พอไปเมืองจีนก็ให้ไปลองดื่มน้ําที่นั่นอีกว่าจะได้รสชาติอย่างเดียวกันหรือไม่ส่วนเรื่องนารีผล น, นั้นท่านจะได้ไปเห็นที่ประเทศศรีลังกา ปีพศ2515ขอบใจจ้ะแล้วฉันจะไปกราบเรียนท่านดีแล้วแต่ถึงไม่ไปท่านก็ทราบเพราะท่านได้ยินเพรา ะ, จะเจริญใจไม่ดีกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านมาแอบฟังเสียงแม่ชีถามขึ้นว่าท่านหูทิพใช่ไหมหลวงพ่อท่านคงจะได้คุณวิเศษเพราะท่านเก่งเหลือเกินวันนี้ท่านมาคุยกับฉัน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 คือเทวดาตรงกับเทวดาพานเทวดาตรงก็คือเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาจะสวดมนต์กันทุกคืนเวลา24นาฬิกากับหนึ่งนาทีแต่เทวดาพานไม่สวดมนต์ที่เทวดาต้องสวดมนต์ในเวลานี้ก็เพราะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าการสวดมนต์ก็คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้านใครสวดมนต์ทุกวันเทวดาตรงจะปกปักรักษา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 ฉันอยากปฏิบัติมากกว่าอยากสวดมนต์แม่ชีพูดตรงไปตรงมาเอาเถอะอีกไม่ถึงสิบปีเราก็จะไปแล้วที่ต้องมาชวนสวดมนต์ทุกวันเพราะเราไม่มีเพื่อนสวดแล้วก็เห็นว่าแม่ชีพอจะคุยกันได้อย่างน้อยก็ให้ช่วยเป็นผู้สื่อสารระหว่างเราและพระคุณเจ้าพรุ่งนี้ช่วยเรียนท่านด้วยว่าตอนบ่ายจะมีคนเอาสายสร้อยทองหนักสี่บาทมาถวายให้ท่านรับไว้ด้วย เรื่องอะไรจะรับพระจะเอาสายสร้อยทองไปทําไมเทวดานี่ยุ่งจริงจะมาทําให้เราต้องอาบัดแล้วไม่ล่ะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแอบเถียงในใจไม่รักไม่ได้เพราะอีกสามวันจะมีสองพี่น้องมาขอท่านจะต้องให้เขาไปอย่าลืมสิหลวงพ่อเดิมท่านสอนไว้ไม่ใช่หรือว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนมันจะมีประโยชน์ต่อไปในวันข้างหน้าเทวดาพูดเหมือนรู้ความคิดของท่าน แม่ชีวัย89ออกงงงที่เทวดาพูดเองเออเองเสร็จตกลงฉันจะกราบเรียนท่านตามนี้เชิญเทวดากลับไปยังวิมานที่ต้นพิกุลเถอะฉันง่วงนอนจังขอหลับสักจมงแล้วจะมาเดินจงกรมอย่าหาว่าฉันไล่เลยนะแม่ชีพูดกับเทวดาพร ะ, จะเจริญแอบคิดในใจว่าแม่ชีรูปนี้เก่งจริงๆกล้าไล่เทวดาเสียด้วย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 เราจะจำไว้รถอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้ปีพศ2525เราจะได้ไปพบที่เมืองจีนหากไม่จริงแล้วก็จะตามไปต่อว่าเทวดาที่ชั้นดาวดึงนนเชียวทันนึกในใจตอนบ่ายขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกำลังคุยกับมักคนายกและกรรมาการวัดเรื่องงานกระถินปีนี้ชายหญิงคู่หนึ่งอายุราว50เศษก็เดินเข้ามาในกุฏิ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 ส้ำมานดาอย่างตายไปตกนรกเสียอีกจะยากอะไรล่ะโยมอยากรวยก็เอาสายสรส้อยเส้นนี้ไปขายสิจะมาให้อัตมาทำไมพร ะ, จะเจรินแนะนำไม่ได้หรอกจ้าฉันไม่ใช่คนที่จะขายสมบัติพ่อแม่กินหรือถ้าฉันรวยก็คงไม่มีความสุขเมื่อรู้ว่าแม่ฉันอยู่ในนรกสตีไหวห้าสิบเศษพูดทั้งน้ำตาท่านช่วยรับไว้หน่อยเถอะครับ นึกว่าสงสารเมียกับแม่ยายผมบุรุษที่มาด้วยช่วยอ้อนวอนทั้งที่เสียดายใสย่ส้อยเอาเถอะอาตมาจะรับฝากไว้ก็แล้วกันจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็มาได้ทุกเมื่อตกลงนะญาติโยมช่วยเป็นพยานด้วยท่านบอกมัทนายุกและกรรมการวัด